เดิเรื่องปฏิรูปการเมืองท่านบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครสนใจท่านทำเรื่องความรู้ก่อนได้นังสือมาตั้งหนึ่งพอมีกระแสขึ้นมาคนเริ่มเบื่อการเมืองพอดีตอนนั้นเศรษฐกิจตกด้วยคนเริ่มเบื่อกันทั้งประเทศก็เดินเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าตอนนี้เราหาเซครธิกเรีี่ตรงนี้แล้วรวบรวมความรู้ว่าใครพันธมิตรอยู่ที่ไหนอย่างไร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 มีจุดหมายร่วมถ้าคนเรามีจุดหมายร่วมแล้วใจก็รวมกันได้ฉะ น, นั้นคำว่าเพื่ออะไรอันนี้ต้องชัดคำว่าเพื่ออะไรนี้ต้องตอบให้ได้เพื่ออะไรอันนั้นพอทุกคนเห็นด้วยบอกว่าฉันทำเพื่ออันนี้ใจก็รวมกันเลยนี้อันหนึ่งสองมีศูนย์รวมจิตใจ